ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาลิจไยศีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องธรรมธาญาสูตรต่อไปวันก่อนได้พูดถึงกลุ่มธรรมะที่ควรบำเพ็ญจะเรียกว่าเป็นภาเวตปรธรรมคือธรรมะที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอกุศลแธรรมที่ตรงกันข้ามกับเขาและก็เกี่ยวเนื่องกับอกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะถูกกระจัดออกไปในขณะเดียวกันความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากกิเลส ท, ที่ตรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นก็จะลดตามลงไปด้วยสรุปแล้วก็คืออะเรมักป8ประการท่านฟังจะสังเกตว่า ธรรมะทั้งหมดที่นำมาเสนอโดยลำดับก็มีปรากฏอยู่แล้วในธรรมจักรวัตนสูตตั้งแต่ตอนต้นเพียงแต่ว่าไม่มีการอธิบายขยายความโดยละเอียดเท่านั้นเองในที่อื่นก็แสดงโดยปริยายาต่างๆเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มาลงที่อริยสรรัจ วันนี้จะพูดถึงกลุ่มธรรมะกลุ่มหนึ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นปหาตะปธรรมซึ่งเป็นง่ายของความจริงก็คือกลุ่มของสมุทัยสัตว์หรือพวกอกุศลลมูลแต่เรียกว่าสมุทัยสัตว์ก็จะเรียกว่าตัณหาสา ม, รกการมาาประการคือกรรมตัณหาภาวะตัณหาะวิรากตัณหา ถ้าพูดถึงอกุศลมูลก็จะพูดถึงโลกกฎลงที่จะพูดถึงไฟสามกองก็พูดถึงราคะโสะโมหะมันเป็นความแตกต่างเพียงแต่ชื่อแต่ว่าเหมือนกันโดยเนื้อความและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นปัจจัยของการละกัน เราจะพูดโดยนยะหนึ่งว่าต่างกันโดยพยัญชนะแต่ว่าเหมือนกันโดยอัตถะคือเนื้อหาเพียงแต่ว่าในที่นี้ท่านนำมาขยายคือขยายนี่พระเจ้าทรงขยายไว้ในพระสูตรแล้วนะฮะขยายเอาไปเป็นรูปของอุปกิเลส16หรคือท่านที่เคยบวชมาเรียนักธรรมชนตรีก็คงเจออุปกิเลส16 คืออยู่ในตอนท้ายๆของหนังสือ โ, โกวัตในช่วงของธ ร, รมวิพาคษอุปกิเลสิบกกล่าวโดยจริงๆก็คือ โ, โรคปวดลงเพียงแต่ว่าอาการจะปรากฏออกมาในรูปต่างๆและบางครั้งบางคราวในชื่อเนี่ยชื่อก็จะเรียกเรียกสลับกันอยู่บ้างในอุปกิเลสิบกจริงๆจะเรียกว่า ในที่นี้ถ้านำมาแค่สิบสี่นะจะเรียกว่าอภิชาวิสมโลภะแปลว่าจิต ท, ที่เพ่งเล็งโลภอยากได้ขึ้นขึ้นลงลงอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากได้โน ốt มันวุ่นไปหมดไม่สงบคือคนเหล่านี้ถ้าหากว่าเข้าไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าจะหยิบหยิบบองวางหยิบหยิบบองวางไปเรื่อยๆนะเป็นความโลภแต่พอดีมันถูกจํากัดด้วยเงินในกระเป๋า ก็ค่อยิบหีบิบปองวางหยิบห ย, ยิบปองวางไปก็จะตัดสินใจได้ก็ต้องใช้เวลานานบางครั้งคํำนี้เรียกว่าอาภิาชาเฉยๆแปลว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้คือก็เป็นอาการของจิตที่เพ่งมองแต่การเพ่งนั้นใหนหลองสังเกตว่าบางทีก็เงี่ยหูฟัง บางทีก็ตากระเพื่มองบางทีก็ใจจดจ่อนะบางทีบางก็อาจจะเป็นเรื่องอาหารเช่นสมมติเราติดใจพอใจในอาหารมันก็ไม่ยอมกลืนหรือว่าชิมต่อกินต่อไปเรื่อยๆบางทีกอาจจะเป็นกลิ่นคือดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีก บาทีก็อาจจะสัมผัสเป็นการจับ้องรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนันก็แสดงว่าเป็นอาการของความโลภที่มันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็ปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ถ้าแรงออกมาเนี่ยมันก็เป็นกายตัวทุจริตเป็นวิจิตรจริต แต่ตอนนี้เป็นการพูดในกรณีที่มันอยู่ภายในจิตท่านบอกว่าโกธะโกธะที่เราแปลว่าโกรธเนี่ยมีลักษณะเฉพาะคือความเดือดดาลหรือความลุร้ายมีหน้าที่อาฆาตเรียกอาฆาตแต่วัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาต ของการจองเวรจองร่างจองพ่านกันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรก็สร้างให้เป็นเรื่องขึ้นมาพนทธิตามปกติแล้วท่านจะจำแนกเป็น9ก้าตามการนะฮะพลองสังเกตว่าคนคนทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีเรากับพวกเรามีเขากับพวกเขานั่นคือความรู้สึกโดยทั่วๆไป มีเรากับพวกเรามีเขากับพวกเขาพวกเราเราก็รักเราก็หวงเราก็ห่วงใครไปเบียดเบียนปทัทสุรายเราหรือปทัทสุรายพวกเราหรือแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราคือทรัพย์สินหรือคู่ครองหรือเพื่อนฝูงก็แล้วแต่เราจะโกรธหรือ ถ, ถ้าความโกรธทิ้งช่วงอยู่ก็เรียกว่าผูกโกรธ สรุปวกรนั่นแหละมันเป็นการเรียกตามอาการที่เข้มขน้นเดียรที่เคยบอกว่ามันเป็นอาการของกิเลสชื่อมัจยจกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ปรากฏแก่จิตหรือทำปฏิกริยาต่อจิตตัวชื่อเนี่ยเป็นชื่อบัญญัติเรียกโดยภาษาบาลีก็ไม่ได้ติดใจนะว่าคนไทยจะเรียกภาษาอะไรก็ได้ก็ไม่ว่ากัน พออาฆาตเนี่ยมันก็ออกไปสายไปสู่อดีตไปรื้อฟื้นเรื่องขลังออกมาแต่มันเป็นกระบวนการทางจิตที่ท่านผู้เจ้าทรงฆ์ใช้คำว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความกลัวก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มียกตัวกกอย่างในแนวของอาฆาต าจะเหนียวไปสู่อดีตว่าคนนี้เคยทำอันตรายต่อเราคนนี้เคยทาอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราในกรณีแรกเป็นความโกรธที่เกิดจากความรักกรณีที่หนึ่งที่สองนะแต่กรณีที่สามเนี่ยเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมาจากความโกรธ เพราะว่าเป็นพวกเดียวกับคนที่ราโกรดยราโกรดด้วยเห็นมันลักษณะกิเลสมันลามปามแต่ธรรมะก็ลามนะฮะธรรมะก็ลามเหมือนกันแต่่าลามในทางที่ดีแั่เด็กคล้ายๆ ก, กับอะไรละฮะน้ำสะอาดก็ไหลลามน้ำขุนก็ไหลลามแต่น้ำขุนมันทำให้เปื้อนโครนตรมเนี่ยทำให้เปื้อนมันก็ไหลเหมือนกันน้ำสะอาดก็ ทำให้สะอมันก็ไหลเหมือนกันบางทีเลยมันก็ไหลยอย่างเงี้ยไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายวันทีก็อาจจะไปตั้งตัวเป็นผู้ประเด็ดการไปคาดหมายนึกดาวเอาสันนิษฐานเอาว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์สูเราแล้วก็เกิดอาการ พุ่งนี้แหละที่นําไปสู่การฆ่าปิดปากฆ่าล้างโคดนะคือสังคมเราถ้าหยุดดูที่จิตแล้วมาแก้ปัญหากันที่จิตนะไม่ต้องไปยุ่ง ม, มันเสียเวลาคือมนุษย์ทหารก็หาธรรมะของพระพุทธเจ้าระดับสินธรรมจัญญานะไม่ต้องเอามากหรอกแล้วระดับสินธรรมจัญญานี้เขามีอยู่ทุกศาสนา มันจะแตกต่างกันบ้างในการตีความแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยคือความเลวร้ายมันจะลดลงถ้าปฏิบัติตรงตามหลักตามเจตนารมณ์ของศาสดาที่ท่านสอนไว้เนี่ยไม่ได้รบประรบเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องมลพิษต่างๆที่มนุษย์เขาทำขึ้นมาเอง แต่ถ้าเรามองแล้วมันจะเกิดจากโลภโกรธหลงอยากได้ขอบโกยตักตวงสะสมอาวุธยุทธปัจจัยต่างๆระเบิดปรมามนูอะไรแต่ไรวุธไปหมดเลยทรัพย์กรธรฒรชาติมันถูกทำลายเยอะถามว่าถ้าคนไม่โกรธกันไม่โลภกันไม่โง่เนี่ยมันทำหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาไม่ทำอะ เราลองสังเกตว่าความคิดแรงแรงแบบเนี้ยที่จริงโบราณในเอเชียไม่มีความคิดนะโดยเฉพาะ เ, าเราเราพูดเฉพาะบ้านเรากับลาวก็ได้นะคือคนทางภาคอีสานนี่เขาคิดบ้างไฟแสนบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนมาได้ตั้งนานนะแล้วแล้วก็คิดจะพัฒนาเล่นกันไปเป็นจรวดหายไปตั้งนานแล้วนะอาจจะไปก่อนองรัง่งแตวเขาไม่กล้าทำแล้วเขากลัวบาต เขาเล่นสนุกได้แต่เขาไม่กล้าทำขนาดที่เป็นบาป น, นั้นความคิดเละลายอย่างนี้ในเอเชียจึงไม่มีแต่เวลานี้เริ่มจะมีขึ้นมาบางแล้วนะฮะเริ่มจะมีขึ้นมาบางแล้วแต่โบราณเนี่ยจะไม่แรงมันแสดงให้เห็นว่าปริมาณของคุณธรรมภายในใจของมนุษย์เนี่ยลดต่ำลง ด้วยความโกรธด้วยความโลภด้วยความกำนัดทางเพศแต่สรุปแล้วมันคือโง่คือโมหะเนี่ยเขาจะอยู่ทุกคนทุกแข่งคือนึกไวเลยว่าโมหะในยอยู่ทุกคนทุกแข่งในกลุ่มของอกุศลทั้งหลายเนะี่ยเป็นยาดำแทรกอยู่ทุกงานนะ่ะเพราะว่าเขาเป็นรากงาวนะฮะพะในโกธะเมื่อมันเป็นอาฆาตเนี่ย มันนาจจะมองในกรณีนั้นๆในขณะนั้นๆว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทำอันตรายตา่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัสูเราแต่ตัวเนี้มันก็ยุติโดยหลักเทวะพระเจ้าว่าความโกรธที่เกิดจากความรักกับความโกรธที่เกิดจากความโกรธกลายเป็นความอาฆาตอาฆาตพยาบาทจงเวนทรงอุ ป, ปมาให้ดูว่ากิเลสกลุ่มนี้มันเหมือนกับคนที่ ถูกโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนจะประสบความทุกข์ทรมานเดือดร้อนสาหัสสาการด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครสามารถแบ่งเบาความทุกข์ทรมานเหล่านั้นได้พันธะยังอธิบายว่าโกธามีลักษณะคือความเดือดดานหรือความดุร้ายมีหน้าที่คือผูกอาฆาตแต่ผลที่ปรากฏออกมาก็คือความระทุกราย ท่นเรียกว่าโทสะโทสะก็คือประทุษร้ายทางกายก็ได้ทางวาจา ก, ก็ได้นึกแช่งใ ห, ใ, หให้ประสบความพิบาติก็ได้ใจไม่สงบต่อไปอุ ป, ปนาหะเป็นโทสะนั่นแหละแต่ว่าเข้มข้นน้อยกว่าแต่พวกนี้ต่อไปพอนานแล้วมันจะเป็นอาฆาตเป็นพยาบาทเป็นพยาบาทเป็นอาฆาตนะฮะแล้วก็นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของกิเลสประเภทนี้จนถึงกับล้างผลานได้ มันก็เหมือนกับการรบกันของอิสราเอลเนี่ยของปเลเตยียอ่ะของอิสราเอลอารับตั้งหลายเนี่ยฮะสังเกตนะฮะวันมาจากความโกรธทึ่ไปปรุงแต่งมาจากไหนเแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงอามารรับการรัฐนาสองครั้งนะให้ไป บรรยายเรื่องเส้นทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่สวณภูมิแล้วก็เข้าสู่อาณาจักรศีวิชัยพระศีวิชัยเนี่ยมันลงใต้ะนะฮะลงใต้เราจะพบว่าในแง่โบราณคาดีนี่ถกเถียงกันเยอะในแง่ประวัติศาสตร์ก็ถกเถียงกันเยอะแ ล, ะล้วคิดจะทวงดินแดนนะกระแสนหนึ่งที่มีการทวงดินแดนเนีน่มันเป็นอาการของโมหะคือเรารู้ไม่จริงแต่เราโกรธแล้ว เราโกยแล้วว่าคนไทยเนี่ยไปยึดครองดินแดนของเขาถ้าเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมายันกันนะดินแดนตรงนั้นก็ก็เป็นของเรามาก่อนแต่ไม่ใช่เราปัจจุบันปู่ย่าตายายตาทวดนู้นบรรพบุรุษของเราถ้าเราท่านตายหมดแล้วทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันไปคิดจะเสียเวลาเปล่าๆมาช่วยกันสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีอยู่ร่วมกันโดย ปกติสุขแล้วก็เสร็จแล้วก็ตายตายจากโลกนี้ไปเห็นไหมปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดระดับคิดง่ายๆอย่างเนี้ยโทสะพยาบาทความผูกโกรธมันจะลดลงไปเพนักงารอุปนาิะาก็มีลักษณะคือความผูกโกรธมีหน้าที่คือไม่ยอมสลับทิ้งการจองเวรมันติดอยู่ที่ใจอะ ไปไหนมันไปด้วยนะฮะอุปนาิหารนี่มันไปไมันไปด้วยมันเล่นนอนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรืออาจจะต้องหาในร่วมในเรื่องเรื่องต่างๆให้ลองตั้งเกตดูรามเกียรติตอนตอนต้นเนี่ยรามเกียรติตอน ต, อน ต, อนตอน้นเนี่ยนนทุกเนี่ยแ ก, ก่โกรธโกรธก่อนนะฮะโกรธเทวดาที่รูปหัวแก่ตุนศรีรษะล้านเล่นเนีย แล้ว ก, กลายเป็นการผูกโกรธผูกโกรธก็พยาบาทพยาบาทเอาคาดอาคาดคิดประทุษร้ายแต่ว่าไม่กล้าเลยไปขอพรบริส่วนให้ได้นิ้วเพชรชี้ใกรก็ตายเลยมัะการชี้ทุกครั้งในมันชี้ด้วยจิตคิดประทุษร้ายแสดงถึงความโทสะที่มันสะสมอยู่ภายในจิตแงแก่เนี่ย สสมจนกลายเป็นความอาทรุเพราผลอาการที่ปรากฏก็คือเป็นความโกรธแล้วก็ติดต่อไปเรื่อยๆพระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่าความโกรธเนี่ยเกิดก่อนอุปาหะจึงเกิดภายหลังดังนั้นถ้าหากว่าคนเป็นอมิสรธาญาต์ เาคนอื่นได้ลาภเนี่ยจะโกรธนะฮะเพราะเพราะอะไรเพราะตัวเองอยากได้เสเองแล้วเพราะตนเองไม่ได้ความโกรธเกิด ข, ขึ้นครั้งเดียวของภิกสุที่เป็นนามิธญาตินั้นชื่อว่าโกธะอย่างเดียวแต่พอเกิดเกิดขึ้นมันตกค้างอยู่ภายในใจก็กลายเป็นอุปนาหะคือผูกโกรธเพราะกิเลสเหล่านี้มันมันจะเกิดโดยอิงว่า อิงรูปประวัตถุทั้งหลายนะฮะอิงรูปประวัตถุทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียกรุมรวมเป็นวัตถุกรรมหรือว่าอายตนะภายนอกแต่ที่จริงพูดอายตนะภายนอกมันฝังยากแปลกที่อยู่กับคนไทยมันตลอดและตัวเองก็มีอายตนะภายในภายนอกแต่ว่าไม่พยายามเข้าใจคําเหล่านี้ก็ทําให้สื่อสารเนี่ยค่อนข้างยากเลลวลาที้อาจจะพูดถึงผลประโยชน์จะง่ายกว่านะคาว่าผลประโยชน์เนี่ยก็คือวัตถุกรรม เกยัตนาภายนอกคือสิ่งที่ใจคนไปกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจเพราะฉะนั้นถ้าใครไปแตะต้องตรงนี้ถ้าเราเป็นนมิธาญาตแล้วเราจะเห็นว่าเราก็อยากได้อะเพราะมิธาญาตเนี่ยมันโลภมันนําโมหะมันคําจุนคํายันใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้เพราะในกระบวนการทางจิตเหล่านี้ท่านอธิบายว่าภิกษุที่เป็นนมิธาญาตนั้นแหละ เมื่อโกรธแล้วด้วยแล้วก็ผูกโกรธ ด, ด้วยย่อมลบหลู่คุณอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่ควรจะได้นะหมายความว่าตัวเองไม่ควรจะได้แล้วพวกนี้เราละเห็นว่ามันจะคื้นพรานไปเรื่อยๆลยในสุดก็จะดูหมิ่นคนอื่นจะลบหลู่คุณความดีของบุคคล น, นั้นแล้วก็ตีตัวเสมอคนนั้นแล้วก็ถึงกับยกตนเหนือคนนั้น ก็อย่างคล้ายๆกับอะไรล่ะก็ประกวดนางงามเนี่ยเราเห็นว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามหลังเพราะอะไรเพราะมีคนพวกหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองงามกว่าหรือพวกตัวเองงามกว่าหรือแม้แต่การได้ยศศักดิ์ของข้าราชการทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์ตามหลังเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองควรได้หรือพวกตัวเองควรได้ เวลาพระได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่ละปีเนี่ยมีการวิพากวิจารณ์ตามหลังนะอาจารย์เราม่น่าจะได้พระนี้ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นมีความสาบาถอะไรไม่เห็นมีความรู้อะไรไม่มีผลงา น, เ ล, นเลยกิเลสเลยเพิ่งเกลือนนะเกลือนไปหมดเลยท่านเอามาเรียงให้ดูเป็นเป็นอาการที่ต่อเนื่องเพราะจากความผูกโกรธนฮะ ความปลุกโกรธความกโกรธแล้วก็ความปลุกโกรธเพราะปลุกโกรธมันจะเกิดดูมินเพราะดูมินมันก็อุย้ยนี่ไม่ไม่เห็นมีความรู้อะไรไม่เห็นมีความสามารถอะไรไม่เห็นมีความรู้อะไรไม่เห็นมีพลเมืออะไรก็กลายเป็นเขาเรียกว่ามัคคะคือลบหลู่บหลู่คุณความดีของบุคคลผู้นั้น มีหน้าที่ขจัดไป็สิ่งดีงามในชีวิตของบุคคลนั้นออกไปให้พี่น่านไปแล้วก็กลบเกินคือปกปิดความดีเขาไว้เอาส่วนเฉพาะเฉพาะส่วนที่ไม่ดีมาพูดแล้วส่วนที่ดีๆเขาก็จะปกปิดเอาไว้ให้เราสังเกตว่าถ้าพูดออกไปก็เป็นมุสาวาตเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่า เสริมความอันนี้ก็ไเรียกอความคือไปเสริมเรื่องที่ไม่จริงในทางที่ไม่ดีเนี่ยใส่ขาวและอําความคือเก็บส่วนไม่ดีของเขาไม่ใช่ส่วนดีของเขาเอาไว้ตัวนี้ต้องนั่งดูจิตตัวเองแล้วบางทีเราก็สงสารตัวเองเอกิเลสมันผลักใส่เสือกใส่หกหกล้มหกลุกไปอุตรุดไปหมดเลย คนไม่รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองกำลังถูกบงการด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่กลับมีอิทธิพลครอบงำจิตใจของคนเดยยกตัวอย่างให้คนที่เราพูดได้นะคุณคุณพอพูดได้นะบาคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยมันโลกแบบงงๆพระรเพระล้ามันไม่มีชีวิตอะไรเลย มันอยู่กระที่มันอยู่ในขวดนะแล้วก็ปิดฝาไว้ด้วยแล้วก็ตีราคาไว้แพงด้วยนะฮะเราสาววิ่งก็ไปหามันไปซื้อมันแล้วพยายามเปิดถว่าแก้วมารินใส่เข้าไปแล้วพยายามดื่มเข้าไปทั้งทง ท, งที่บาดคอเป็นความโลภคืออยากกินอย่างแบบโงโงๆมันไม่ได้เพิ่มพูนความดีอะไร เวลาเนี้ยยังสื่อโทรทัศน์ต่างๆเวลาภาพคนสูบบุหรี่ภาพดื่มเล่าในทำเบอร อ, อเวลางานคนใหญ่คนโตชนแก้วกันเป็นแถวไม่เห็นเบอล่ะคือมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะคือถ้าเราจะตั้งใจจริงเนี่ยเราต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่ดเด็กสร้างลักษณะนิสัยมาตั้งแต่ดเด็กสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้อม ให้เด็กแกรู้สึกรังเกียจขยะขยงที่จะเสดที่จะสู่พวบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยให้ลองสังเกตว่าพระเนรที่บวชตั้งแต่หนุ่มๆตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สูปป่บุหรี่เพราะอะไรเพราะว่าเธออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการสูบแต่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีสูบนะคือพระที่สูบไม่เป็นบางทีต้องสูบพระญาติโยมชอบกล น, นะฮะ มีหมากพรูบุรีนะ่น้ำถวายพระตอนรับแขกเป็นของตอนรับแขกบางพระก็จ ะ, ะลองสตาร์โยสูบบุรีม่มวลหนึ่งดื่มน้ำแล้วเคี้ยวหมากให้เขาเพื่อไม่ยอมเสียใจบางทีคนแก่เลยเจอคนแก่แล้วถาวายหมากขาบหนะึ่งให้ช่วยสานให้ดูเอา้าก็ยุ่งไม่จะเล่นเหมือนกัน ผนปลาเอไอมักขาเนี่ยนั้นจะดูหมินความดีของบุคคลอื่นแล้วก็จบลงด้วยการเปิดเผยความชั่วโดยขยายคือเกินที่เขาชั่วจริงปกปิดความดีน้อยกว่าที่เขาดีจริงมันมีลักษณะอย่างหนึ่งในบ้านในเมืองเราคือคนดีไม่ได้คนได้ไม่ดี มีเยอเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเรามองคนบางคนแม้แต่ในในแวดวงของพรรคการเมืองเนี่ยหรือคนบางคนเราผู้รู้ฝีมือรู้คุณธรรมเขาแต่เขาไม่มีโอกาสจะ แ, แสดงความรู้แสดงความคิดอ่านแสดงความสามารถเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกนําเสนอด้วยการลบหลู่และด้วยทิษยา ทนิสานได้ออกมาด้วยกันลบดูริษยาเนี่ยหาดีไม่ได้นะครับคนคนที่เราพูดถึงนี่จะหาดีไม่ได้ประการต่อไปอิสาที่แปลว่าริษยาเนี่ยอิสาเป็นภาษาบาลีแต่ว่ารู้สึ์คนไทยจะออกเสียงไม่ค่อยได้ออกเสียงเป็อิสาอิสะเนี่ยแปลว่าความปรารถนามันไม่ใช่ริษยานะฮะแต่คนไทยสย่วนใหญ่จะพูดอิจศา ที่จริงอิสาแปลว่าความปรารถนาะคือความโลภอ่อนๆไม่มากมันก็เข้มข้นกว่าฉันทะแต่ว่าอ่อนกว่าโลภะอ่อนกว่าพิชามันก็แถวๆขนาดรติคือยินดีอิสาคือฤทิ์ยาเนี่ยต่ออะไรต่ออมิตรเห็นไ้ยถ้าเขาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญในสุขมันเป็นอมิตร โดยเฉพาะลาบยศสันเสริญเนี่ยมันเป็นอา mith ท่านท่านความเคยสังเกตนะมันเป็นมาตวัดจิตมนุษย์นะลาบยศสันเสริญสุดเนี่ยคนเป็นนันมากที่ทาทุกอย่างคอยได้ผลประโยชน์ไม่คำหนึ่งถึงวิธีการช่วเมืองผีขอยดีเมืองคขนมาเกล้วกันผมนี้จะเอาทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อคือคือสมัยเป็นเด็กเนี่ยถูกผู้ใหญ่ทันดู คือเราไปเห็นแก่โคนต้นไม้ขนาดใหญ่เราเสียดายมากแล้วปลูกถั่วลิสงบอกว่าลุงทําไมลุงต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เพื่อปลูกถั่วลิสงถั่วลิสงราคาเท่าไร่ลุงต้นไม้เนี้มันอีกกี่ปียึงโตขนาดนี้ลุงทําลายสิ่งที่มีค่าเพื่อสร้างสิ่งที่ร้ายค่าขึ้นมา หรือว่าข้ามันก็ไม่ถึงต้นไม้อะแม่ก็ดาวเลยนั่นพูดพูด้ไม่รู้เรื่องฮะแล้คนอย่างนี้มีเยอะในบ้านในเมืองเราเวลานี้แม้แต่พระเรานี่โดนเยอะนะฮะวบบนี้เกิดถ้านอนุรักป่าไว้ป่าต้นไม้หลังวัดข้างวัดท่านต้นใหญ่ใหญ่เลยพวกนายทุนก็ต้องการได้ท่านก็ไม่ยอม เอากระจ้างผู้หญิงขึ้นมาให้ไปครุครีก็ท่านสร้างขาวใดเสียกับผู้หญิงสร้างมวลชนขึ้นมาเดินกระบวนขับไล่โอ้โหมันหาฤกษโขนนะนี่คืออะไรคือริษยาเห็นคนอื่นดีเด่นดังไม่ได้เห็นคนอื่นมีไม่ได้เห็นคนอื่นได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสาุขไปริษยา ผริษยาจึงเป็นอาการของโลภะอาการของโทสะโทสะในตัวคนนะฮะโลภะในตัวอมิตรคือตัวผลประโยชน์พวกงาตัวผลประโยชน์โมหะในจิตที่มืดบอดโดยไม่ได้คิดว่าการที่เขาได้เนี่ยเพราะเขาประกอบเพียรเพื่อได้เขาก็ควรที่จะได้แต่เราไม่เคารพความจริงเราก็ไปริษยาเขาทนเห็นก็ดีเขาเด่นเขาดังไม่ได้ ท่านบอกว่าหรือไม่ก็ทนไม่ได้ต่อสมบัติของคนอื่นนั้นมีหน้าที่คือความดิ น, ย, นยินดียิ่งในสมบัติของคนอื่นคืออยากได้เองอะแล้วพวกนี้ไม่รู้จักประมาณตัวเองแม้ ใ, ในแวดวงของพระเราในบางที่สลดนะฮะตอนบวชใหม่ๆขี้เกียร์เรียนหนังสือ ไม่มีความรู้อะไรบีบบีบนวดนวนวยบีบบีบนวดกันมาใหญ่โตกันขึ้นมาเราสลดนะเราสลดว่าศาสนามีคนระดับนี้หรือมาชี้นาความคิดทางศาสนาคนมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมเยอะไม่ใช่โบราณท่านบอกว่าซื้อตาปูมาไว้ใช้เถาวันเรียนความดีมาไว้ใช้ความชั่ว ช่างมืดมัวในด้านจิตใจจริงๆพระฤทิยาเนี่ยจึงที่ปรากฏออกมาก็เบือนหน้าห น, นีจากสมบัติของคนอื่นนั้นคือฤทธฤษยาและพลตนดูไม่ได้มันบาดใจมมนรู้สึกบาดใจได้แก่ที่คนอื่นเขาได้เขาเครอบครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นคือทำให้เกิดเบือนหน้าห น, นี นี้เป็นอุปกิเลสนะอุปกิเลสข้อต่อไปคือมัจเฉระหรือมัจฉริยะเป็นลักษณะของความสนีตามปกติแล้วสนีหรือมัจฉริยะหรือมัจเฉระเนี่ยส่งแสดงไว้ห้าเรื่องใหญ่ๆเอ่อทั้งห้าเรื่องเป็นอมิตรทั้งนั้นนะะเป็นอมิตรนั้นเป็นวัตถุการมเป็นโล ก, กวัตถุ เป็นอะไรล่ะสังขารที่ไม่มีใจคลองหรือบางทีก็มีใจคลองนะฮะก็คือสนีผลประโยชน์จะนีที่อยู่จะนีสกุลจะนีวันนาจะนีพวกจะนีผิวนะฮะนีความดีจนถึงก็จะนีธรรม เพลักษณะมัจจัยนี้คือหวงยึดเหนี่ยวของตัวเองเอาไว้ไม่ต้องการให้คนอื่นได้คนอื่นมีคนอื่นเป็นอย่างที่ตนเองได้เองมีเองเป็นแต่พกคนอื่นได้เขามีก็เป็นตัวเองริษยาเขานะฮะแต่ว่าพอเราได้เรามีเราเป็นเราหวงเราสนีโบราณเรียกสนิทีเหนียวพวกนี้เป็นกิเลสประเภทโลภโมหะที่ยึดติดอย่างรุนแรงนะฮะ บางคนตายยังตั้งสติไม่ได้ก็ เ, เล่าว่ายายแก่คนหนึ่งจะคิดเหนีวมากก่อนจะตายลูกหลานก็บอกกระยายภาวนานะ阿拉หังนะยายนะ阿拉หังนะแกฟังเป็นอะไรหายตลอดจนตายคนหนึ่งทําปานาติบาตไปเยอะชอบตักตกปลานะท่งเบ็ดยกยอพอแผก่อนจะตาย ดุรานก็บอกให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธแก่ฟังฟังเป็นปราเทพโพตลอดนั้นคือสนีสนีจนยึดติดไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายอ่ะพงาพังงา ง, ง, า ง, งาอยู่แล้วยังไม่ยอมจะตายเลยไม่ยอมตปรงตรกในลมทั้งหลายและที่มันตายไปเกิดเป็นก็เรียกว่าปูโสงความพั์ในพวกนี้นะมัจฉิยะมากไป นี่เปไม่น้อยนะสมภารดิเกิดเป็นตายเป็นปู่โสงความสับคือท่านไปยึดยึดวัดของท่านคือเป็นการหลงทางตั้งแต่ต้นที่วัดบวอเนี่ยเราเวลาไปชุมกับอการวัดเรคุยกันเรื่อยนะบอกว่าวัด่ไม่ใช่ของเรานะวัดเป็นของพระาศาสนาเป็นของแผ่นดินเราก็อาสัยวัดต้องสนองคุณวัดต้รับใช้วัดต้องทํางานให้แก่วัด เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปะยึดติดว่าเป็นของเราเกอมายังมองนะฮะว่ า, าวัดในเมืองหลวงเนี่ยน่าจะเปิดกว้างให้พระเนนจากต่างจังหวัดได้เข้ามาอยู่มอกว่าแล้วก็อีกนะฮะเวลานี้พระเนรน้อยมากนะลดอยู่น่ากลัวอย่างนี้นน ก, นะน ก, นก็าทำไปทำไมเราจะเสาตายไปเฉ ย, เฉย ไม่มีศาสนาญาตมาสืบต่อเพราะันลักษณะลักษณะของมัจจริยะที่เด่นก็คือว่าซ่อนเร้นสมบัติของตนมีหน้าที่คือความไม่พอใจเมื่อใครมาแตะต้องมาร่วมใช้มาร่วมนั่งมาร่วมดูมาร่วมกินอะไรต่ออะไรของตัวเองฮะที่ตัวเองหวงอะ่ะใครไปแตะต้องไม่ได้เราจะเห็นว่าบางทีมองอย่าไม่ได้เลย นานมาแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดมีโยมก็หามาฟ้องก็มีผู้ชายมามองหลานสาวแกแล้วถามมันเป็นอะไรอยู่มันไม่ได้มองไม่ได้ถามมายมลองคิดดูนะโยมเดินไปที่ไหนในใครไม่มองโยมเลยเนี่ยหมายความมายมเป็นคนยังไงให้คิดดูให้ดี ที่เขามองนั้นแสดงว่าเขาสนใจแสดงว่าเรามีจุดที่น่าสนใจคนที่ไม่มีใครมองนะ่มันมีราคานะฮะตอนเข้าใจคนที่คนมองมากๆอยากมองมากๆเนี่ยเป็นคนมีค่าใหาลองสังเกตว่าในหลวงในเสด็จที่ไหนคนแห่กันมามองเลยเห็นพระบรมฉายลักษณ์เห็นสารพัดเห็ในสตางค์ในกระเป๋าก็มีพระบรมฉายาลักษณ์แต่ก็อยากดู กือเนีในเรื่องที่ไม่ควรเสนีพอถามไม่คิดกันงงเลยก็ น, นิ่งเลยอันนี้คือเราบางทีเราเราไม่ได้คิดว่าความเสนีบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเช่นว่าสมมติรวัดเนี่ยเอาสมมติรวัดแล้วกันปล่อยกุฏิให้รกรางว่างเปล่าอยู่ไม่ยอมให้ใครมาอยู่เนี่ยแต่ถ้านจะอยู่ได้คนเดียวหรออยู่ได้ตลอดหรือรเดีด๋ยวต้องตาย ทำไมและมันไม่ใช่วัดของเรานี่นะวัดของพระศาสนาไอ้ผู้พูดพูดสร้างก็ได้ประโยชน์สร้างกุฏิไว้แล้วไม่มีคนอยู่เนี่ยคนพูดสร้างก็ก็ไม่ได้บุญที่ต่อเนื่องทีนี้บอกว่าและผลที่ปรากฏออกมาคือความเคื่องแค้นแต่ใครไปแตะไปต้องไปจับไปถูกไปใชนะ้ไปนั่งร่วบไปกินร่วมอะไรเขาที่เขาไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบจะกโกรธแค้นเลย แ้ังเราสังเกตฮะว่ามัจฉริยะเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสประเภทโลภะแต่ว่าใครไปแตะต้องเนี่ยจะเกิดโทสะแม้แต่มองก็เกิดโทสะก็แสดงโมหะมันมองมันสึกรรออะไรล่ะเออแตะต้องมันเสียหายอะไรล่ะแล้วแบ่งเพื่อนกินบ้างมันจะเป็นอะไรไปอะ่ะของก็เหลือกินเหลือใช่ อันนี้คือคือใจที่มันขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการคิดในการมองในการพินิษพิจารณาประการต่อไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะคือสังคมเราอ่อนแอในการวินิจตัวนี้อ่อนแอมากมากพวกเล่มารยาเสียแสงโออวดแข่งดีกันนี่หลงคนคนหลงเยอะเลยพอหลงเลยจะไม่คิดอ่ะ ตัวนี้มันมาจากโมหะเป็นฐานเหมือนกันเขาเรียกว่ามายาหรือมารยามารยาเนี่ยเป็นสันสกฤตนะฮะมามายาเนี่เป็นภาษาบาลีในที่บางแห่งชื่อของเทพธิดาอย่างพระนางมายาเนี่ยที่จริงมายานะเราไปเรียกสซริม้ามายาเราไปใส่ก็เฉยๆพระนางท่านจริงในชื่อมายาเป็นชื่อของเทพธิดาที่สวยงามมาก บางคนเห็นจะลหลงไหลคลั่งคลายละมือเพลิพลไปเลยปณิธานสีิมามายาตอน ส, สาวๆนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นพวกพราหมณ์ที่ไปเจ้าสีหานุให้ส่งไปสืบหาผู้หญิงสวยๆเนี่ยเห็นเจ้าหญิงมายาเข้าเนี่ยปับป๊บเป๋ๆไปเลยสติสตังตลเลิดเปิดเปิงหายไปเลยแต่มายาที่มาเป็นชื่อของกิเลสเนี่ย มันเป็นอาการความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าแสดงออกมาอย่างเนียแล้วคนเราตามปกตินี่ไม่ค่อยลึกซึ้งนะฮะไม่ค่อยลึกซึ้งจะตัดสินตามที่ตัวเองสัมผัสแล้วก็ไม่ได้มองโวยเหตุด้วยผลบางคนหลอกลวงคนอยู่ได้ตั้งนานอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนคนหนึ่งแก วิบากกรรมที่เคยด่าพระอาหารหันต์ในชาติก่อนด่านแรงใช้คําว่ากินอุจจาระดีกว่ากินอาหารที่ชาวบ้านนํามาถวายนอนบนดินดีกว่าที่นอนบนอาสนะซึ่งชาวบ้านปูถวายยืนขาเดียวดีกว่าที่จะยืนสเท้าแล้วในสุดบาปกรรมเนี่ยมันมาเลยเ ก, กินอาหารไม่ได้ น, นิหารดีๆเอัจรินออกหมดตังกินอุจระยืนขาเดียวนอนบนพื้นดินแล้วก็ป่อยกายพระบิดาพระอาหารหันต์ะไว้คนไปเข้าใจผิดว่าเป็นพระอาหารหันต์หลงเคารพนับถือสักการ บ, บูชาเป็นเวลานานไม่น่าเชื่อนะห้าสิบห้าปีนึกว่าหลายชั่วคนนะ หมายความมาถ้าคนเกิดมาเมื่อตอนที่นายคนนี้ออกไปยืนค้าเดี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลมเนี่ยคนห้าสิบปีใมีหลานนะะแสดงมีลูกแล้วก็มีหลานนะแต่เห็นคนคนนี้อยู่ในสังคมเราในะที่จริงมีพวกมารยาในเยอะบางทีเป็นกระบวนการจัดตั้งเลยนะเป็นเกจิอาจารย์ช่วยกันปลุกเศษในด้านต่างๆในสารพัดเ่ย รัฐบาลเองก็ไม่ดูแลศาสนาคณะสงฆ์เองก็อ่อนแอเกินกำลังที่จะทำนะฮะไม่มีไม่มีพลังไม่มีพลังที่จะทำเพราะว่าอะไรเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผิดพระธรรมวินัยมันไม่ผิดในกฎหมายพอผิดพระธรรมวินัยมันก็ไม่ถึงกระจับให้นศึกวินัยก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ถึงขึ้นศึกแต่ถ้ากฎหมายเนี่ยยิงมันได้มันลอกลวงประชาชนเนี่ยทำได้ แต่รัฐเองก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องล่านี้แลวส่วนใหญ่ที่น่าทั้งเกตก็คือว่าเอามาติดตามมาไดเลยเรื่องนี้คื อ, อข้าราชการใหญ่ๆนี่จะตกเป็นเครื่องมือเขาเราไปดูเบื้องหลังนี่วที่โอ้ยในพลเป็นตับเลยนะอยู่เบื้องหลังเนี่ยเหมือนใคยนี่แก้ปัญหายากอะรุมลรังพันเดลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอถึงระดับมารายาเนี่ยมันหลงก่อนเลย เพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็อ่อนไหวไปกับการชี้นำการเสแสร้งเนี่ยมันภาพมันสวยนะเราจะเห็นว่าอย่างอย่างสำนั ก, กว่าตึงแต่เขาถ่ายภาพวอาสวยนั่งตัวทรงเป็นแถวงามภาพที่ไหนก็สวยทท้งนั้น โดยเราไม่ได้คิดเป็นการจัดฉากระยะสั้นๆไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันไม่มีมนุษย์ไหนที่นั่งได้อย่างนั้นเป็นชั่วชั่วโมงหรอกแล้วก็ไม่รู้จะนั่งไปจัดฉากอย่างนั้นทำไม่ธรรมชาติเหมือนป่าไมา้เบญจพรรณนั่นแหละคือธรรมชาติสวนยางนะ่ที่จริงเป็นการจัดฉากมนุษย์สร้างขึ้นแล้วดูแลจริงมไม่สวยงามอะไรหรอกรั้วคนมันปลูกขึ้นปลูกไอ้ตรงมันก็ตรงปลูก้คสมันก็คตะ อันนี้ก็จัดฉากให้ส่งมันก็ทรงจัดฉากให้โคตรมันก็คตเดิดชอบที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะนธรรมะที่จริงมันเป็นธรรมชาติแนวมารยาเนี่ยมันจะออกมาคือปกปิดบาปที่ตนเองกระทำแล้วก็มีหน้าที่คือซ่อนเร้นบาปที่ตนเองกระทำแล้วาะภาพที่ปรากฏจึงไม่ใช่เลยนะตอหน้ามาพราบรับหลังตะโก ไหวหลังหลอกปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลซ่อนดาบในรอยยิ้มเพราะฉะอาการที่ออกมาเนี่ยผลที่ปรากฏออกมาก็คือว่าการปิดกั้นบาปที่ตนเองกระทํำแล้วสมัยพุทธกาลเองก็มีนะพระอาหารหันตุ่มพระอาหารหันยั่นไทรหรือสีจำศีนนกยางจำศีลหรือสีกินเที่ยอะไ ร, ต, ะะไรต่างต่างๆวันนี้พร ม, มารยาทอย่างนั้นไง และหลอกลวงได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือคนบางคนอาจจะหลอกกันง่ายว่าผมกินอาหารเจผมไม่นอนกับเมียอุย้ยคนตื่นเต้นกันใหญ่แล้วนะใครใครก็เทวดาจุติาจาสวงสวรรค์นะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมออมารยานะมันมันเป็นความโลภนะฮะต้องการได้ผลประโยชน์จากความโลภของคนทั้งหลายแบบนกย่างจำสีนะ่ะ มันวางแผ่นจะกินปลาฟรีๆหรือสีกินเหี้ยก็เหมือนกันนะฮะแกเตรียมจะฆ่าเหี้ยพอ น, นั่งสำรวมระวัง น, นั่งสมาชินะถือตะพดอยู่ในจีวรเตรียมจะตีเหี้ยซึ่งโผล่มาจากโพง่ยืงเหล่านี้ในคัมภีร์พพุทธศาสนาท่านจะรึกไปเยอะท่านบันทึกไปเยอะ ผลมารยาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไปผูกโยงอยู่กับตัวอมิตรทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยให้เราตังใจละเพราอุปกิเลต ท, ทั้งหมดที่กล่าวมาเจข้อเนี่ยมันจะไปผูกโยงอยู่กับ ก, บการเป็นอมิตรสถานญาติกายไม่ไม่เป็นธรรมทานญาติเพราะนพระพุทธศาสนาจึงสรรเสริญผู้ที่เป็นธรรมทานญาต ไม่ยกย่องมันไม่ไม่ยกย่องสนเสริญผู้ที่เป็นอามิสถายาทพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ต่อพวกเราจึงมุ่งหมายให้พวกเราเป็นธรรมธายาทไม่มุ่งหมายให้เป็นอามิสถายาทท่ทานฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไยบูรณนธรรมจึมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี